มีหมอคนหนึ่งขยันแล้วก็ทุ่มเทกับงานมากเป็นอาจารย์หมอนะก็เรียกว่าเป็นหมอใหญ่นอกจากสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็ยังทํางานวิจัยนะเกี่ยวกับโรคมะเร็งเดือยมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งเป็นโรคเฉพาะทางที่คุณหมอท่านนี้เชี่ยวชาญแล้วก็จบมาเลยตรงเรื่องนี้แต่ที่สํำคัญนั้นคือว่าหมอท่านนี้ ใส่ใจในการรักษาคนไข่ามากนะโรงพยาบาลที่ท่านอยู่นะก็รามาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลของรัฐคนไข้ก็เยอะนะแล้วก็จนวไม่น้อยก็เป็นคนไข้ที่ฐานะไม่ค่อยดียากจนคุณหมอท่านนี้เนี่ยนะคุณหมอณัฐพงศ์เนี่ยก็ใส่ใจมากนะเวลารักษาคนไข้เนี่ยนอกจากทุนเทในเรื่องเวลา แล้วก็สติปัญญาแล้วก็มีความใส่ใจนะไม่แต่รักษาแต่โรคนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกของคนไข้โดยว่าคนไข้ที่อยากจนเนี่ยก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคือไม่มีเงินจ่ายค่ายาไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมันเป็นเงินที่สูงมากนะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนสิ่งหนึ่งที่วิธีหนึ่งที่คุณหมอช่วยนะคือพยายามเก็บยาของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันแล้วก็ภายหลังก็เสียชีวิตมันจะมียาที่เหลือนะหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็ไม่น้อยนะ ถ้ารวบรวมกันแล้วเนี่ยนะมันก็เยอะทีเดียวคุณหมอก็ขอนะขอจากญาติผู้ป่วยนะผู้ป่วยคนไหนเสียชีวิตมียาเหลือก็ขอมาแล้วก็นำมาจ่ายให้กับคนไข้คนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ป่วยด้วยโรคเดียวกันก็เรียกว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่า ย, ยา เพราะว่ามียาที่ได้จากผู้ป่วยคนอื่นเนี่ยเอามาช่วยเยียวยารักษามันก็ลดรายจ่ายของผู้ป่วยได้เยอะเลยแต่มันก็ต้องอาศัยความใส่ใจนะความใส่ใจในการสอบถามผู้ป่วยว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่ใช่แค่ปัญหาจากตัวโรคอย่างเดียว ปัญหาเศรษฐกษิจก็สำคัญแล้วคุณหมอ ก, ก็ใส่ใจที่จะช่วยนะช่องทางไหนที่มีก็ทำเต็มที่เลยถ้าหนึ่งไปเจอผู้ป่วยคนหนึ่งนะรักษาผู้ป่วยคนนี้อายุประมาณ20ต้นต้นๆเป็นมะเร็งก็เพราะปัสสาวะแล้วก็เพราะอาหารแล้วก็ต้องใช้ยาเคมีบาบัด แต่คนไข้นี่ก็ยากจนนะก็ไม่ถึงกับยากจนแต่ว่ารายได้ไม่มากพอสําหรับค่ายยาเคมีบําบัดนี่อ่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงสอบถามผู้ป่วยก็ได้ความว่าเธอเนี่ยมีคนรักนะเป็นข้าราชการแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยพอได้ฟังที่คุณหมอก็เกิดความคิดขึ้นมาเลยขอพบ คนรักนะของผู้ป่วยคนนี้ทันทีเลยทันทีเลยนะแล้วก็บอกแล้วก็เราปัญหาให้ฟังว่าบ้านเนี้ยผู้ป่วยเนี้ยเขาตอนนี้เขาต้องการนะการการรักษาแบบคีมีบาบัดนะซึ่งมันใช้เงินสูงแล่ต้องรีบทำด้วยพอพูดถึงสาการนะของคนรักให้ผู้ชายคนนี้ฟัง แล้วก็พูดพิจาต่อไปว่าเนี่ยคุณจะช่วยแต่งงานกับผู้เป่วยของผมพรุ่งนี้เลยได้ไหมนะชายตรงนั้นยินดีเลยนะยินดีแต่งงานเลยนะไม่ต้องร อ, อจัดเลี้ยงอะไรละวันรุ่งขึ้นก็ไปจดทะเบียนสมรสเลยทำไมแนะนำอย่างนั้นนะทำไมคุณหมอจึงแนะนำอย่างนั้นเพราะว่ารู้ว่าถ้าคนไข้คนนี้ มีสามีเป็นข้าราชการก็มีสิทธิ์เบิกค่ายาได้ก็เป็นกาว่าแก้ปัญหาไม่มีเงินค่าย า, าค่าเคมีบาบัด อ, อาศัยสิทธิ์ของสามีซึ่งเป็นข้าราชการนะและทันทีที่งีนี้เนี่ยนะจดที่เป็นสมรสเสร็จนะคุณหมอก็ให้ยาทันทีเลยเพราะเป็นยาที่ คนไข้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินแล้วได้สิทธิของสามีจริงๆเนี่ยมันก็สำหรับหมอทั่วไปมันก็ไม่ใช่าหน้าที่นะความเข้าใจาของคนทั่วไปหมอก็ทำหน้าที่รักษาคนป่วยเรียกว่าทำหัตถการจะฉีดยาจะพานะหรือว่าจะทำอะไรกับร่างกายเ้าแล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของหมอแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าจใจ ห, หมอทำหน้าที่นี้เท่านั้น แต่คุณหมอนัทพงศ์คนนี้เห็นว่าหน้าที่หมอเนี่ยหรือสิ่งที่หมอควรจะทำเนี่ยมันมีมากกว่า น, นั้นนะถ้าคนไข้เ็ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหมอพอจะช่วยได้ไหมนะอันนี้มันไม่มีสอนนะในโรงเรียนแพทย์นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญหลังจากที่ดูแลผู้ป่วยนะ การรักษาของตัวเองมันจะได้ผลเนี่ยผู้ป่ยก็ต้องนะไม่มีปัญหาด้านการเงินหรือถ้ามีก็ถ้าช่วยได้ก็น่าจะช่วยคุณหมอวันนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคือโกนหัวเป็นประจำเนอายุก็มากแล้วนะแต่ทำไมโกนหัวเหมือนพระเลยคุณหมอให้ผลว่าเนี่ยคนไข้หลายคนเนี่ย เวลาเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องการการรักษาเนี่ยก็ต้องมีการใช้แสงฉีคือหมอผมร่วงคนไข้หลายคนนี่เสียใจนะรู้สึกว่าอับอายที่ผมร่วงคุณหมอก็เลยโกนผมโกนหัวเป็นเพื่อนซะเลยนะโกนหัวเป็นเพื่อนเป็นกาลังใจให้กับผู้ป่วยนะทราบหลายคนนี่มันไม่ใช่นาทีหมอนะแต่คุณหมอที่ถัวเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจิตใจก็มีผลต่อร่างกาย ถ้าคนไข้สึกเครียดรู้สึกกังวลเพราะาผมร่วงนะมีทางใดที่คุณหมอจะช่วยได้ก็ช่วยนะก็ไม่ยากเลยแหละก่อนผมซะเลยนะก่อนผมตัวเองคนไข้พอ ร, รู้สึกว่ามีเพื่อนมีหมอเป็นเพื่อนก็ไม่รู้สึกกังวลหรือเป็นทุกข์เหมือนเดิมนะนี่เป็นวิธีการช่วยคนไข้นะแบบง่ายๆแต่ว่าอาศัยความใส่ใจ แล้วก็สามารถที่จะมองพ้นกรอบของหมอว่าเนี่ยเราไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายอย่างเดียวนะแต่ว่าต้องใส่ใจเรื่องจิตใจรวมทั้งชีวิตของเขาด้วยนะถ้าเขาอยากจนไม่มีเงินค่ารักษาหรือไม่ ร, ำร่ำรวยพอที่จะจ่ายค่ารักษาซึ่งมันแพงเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยนี่เรียกว่าต้องอาศัยสายตาที่มองกว้างกว่าตัวโรคนะหมอ หลายท่านนะก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีนะ็มีหมอคนหนึ่งเนี่ยเจอผู้ป่วยนะผู้ป่วยเป็นผู้หญิงวัยกลางคนโรคที่เป็นคือใจสั่นนะใจสั่นเนี่ยวิงเวียนสีษะหายใจแรงนะไปหาหมอเนี่ยหลายผ่านหมอมาหลายคนแล้วคุณหมอคนเนี้ย เพิ่งได้มาดูแลคนไข้คนนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ดูประวัตินผ่านหมอมาหลายคนแล้วแต่ว่าไม่หายสักทีแถมหัวใจก็ปกตินะก็เลยเดาและเชื่อว่าเนี่ยคงมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ป่วยเป็นโรคใจสัน่นก็เลยถามประวัติในความว่า คนแค่นี้เนี่ยมีสามีสามีชอบเล่นการพนันมากเล่นจนสูญเสียเงินไปไม่น้อยนะแล้วก็ตัวผู้ป่วยนี้ก็เครียดเพราะพฤติกรรมของสามีนะไอ้ความเครียดเนี่ยหมอก็เลยเดาว่าทําให้เกิดอาการใจสั่นหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยคาวหน้าเนี่ยมาหาหมอเนี่ยพาสามีมาด้วยนะพอสามีมา ก็พูดกัสามีนะว่าเนี่ยภรรยาเนี่ยถามคุณรักภรรยาไหมรักครับทราบรูอเปล่าภรรยานี่เป็นโรคใจสัน่นทราบครับแล้วคุณหมอก็เลยอธิบ่าเนี่ยที่สามีที่ภรรยาใจสั่นเนี่ยเป็นเพราะเป็นห่วงสามีเครียดเพราะการใช้จ่ายเงินของสามีโดยเฉาการเล่นการพ น, นันหมอขอให้สามีเนี่ยเลิกนะเล่งพ น, นันได้ไหม คนไข้สามีเนี่ยพอรู้เนี่ยก็ยินดีนะตกปากรับคําทันทีที่ตกปากรับคํำนะคนไข่รู้สึกดีขึ้นเลยแล้วก็ตอนหลังก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนหายจากใจสัน่นหายเพราะอะไรเพราะสามีเปลี่ยนพฤติกรรมสามีเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะอะไรเพราะหมอมาตักเตือนมาแนะนำํำหลายคนอมองว่านี่ไม่ใช่นาะทีของหมอนะแต่ที่จริงสําคัญเลยหมอไม่ได้แค่ รักษาโรคเนี่ยรักษาคนด้วยรักษาโรคถ้ามองไม่ทั่วมันก็ไม่หายนะเพราะโรคเนี่ยมันไม่ได้อาจไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากหัวใจผิดปกตินะแต่ว่าเกิดจากจิตใจที่ไม่ปกติเพราะเกิดความเครียดความกังวลที่เครียดเพราะอะไรที่กังวลเพราะอะไรเพราะสามีก็จะไปแก้ที่ตรงนั้นพอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามีคนไข้จิตใจก็เริ่มปลอดโปร่งมากขึ้นอาการทางกายมันก็ ทุเลาเบาบางจนหายไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่หมอจำนวนมากเนี่ยมองข้ามนะแต่หมอที่เก่งๆเนี่ยที่รู้จักคนไข้แล้วก็ทำงานมานานทุ่มเทมาเยอะจะเข้าใจนะเยอะเี ย, เ ร, ยรู้จักประสบการณ์จริงซึ่งอาจจะไม่สอนในโรงเรียนแพทย์นะแต่ว่าถ้าใส่ใจอาการรักษานทีนสุดก็จะต้องโยงมาถึงตรงนี้แหละเรื่องเสร็จสถานะของผู้ป่วย เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพวกนี้มีผลต่อสุขภาพมีผลต่อความเจ็บป่วยไม่มากทีเดียว